ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องล้างบางตระกูลหลงโดยสมณะซาบซึ้งสุริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ส2องมีนาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ มีเรื่องของความหลงความความหลงเนี่ยนะห้าระดับถามมาว่ามีความหมายอย่างไรก็คือ 1. หลงลืม 2. หลงผิด 3. หลงไหล 4. หลงตัว 5. หลงเหลือนะขอให้ช่วยอธิบายให้พอเข้าใจ5ตัวนี้อาจมาเคยอธิบายไปทีแล้วละ่ะ นานแล้วนนจำไม่ได้แล้วปีไหนแล้วแต่ว่าก็ลองอธิบายใหม่มันก็คงไม่เหมือนเก่านะเพราะว่ายิ่งนานวันยิ่งนานเดือนยิ่งนานปีถ้าเราปฏิบัติธรรมโดยที่พยายามภาคเพียรอยู่เสมอๆเนี่ยความรู้ในทางธรรมก็จะมากขึ้นแล้วความเข้าใจในการที่เราต่อสู้กับกิเลส แล้วเราก็ได้เห็นกิเลส ข, ของเราเองนะได้เอาชนะมันหรือว่าแพ้มันก็ตามแต่แต่เราจะเห็นความเป็นจริงในการต่อสู้กับกิเลสเนี่ยหรือในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆจะไม่เหมือนแต่ก่อนคือจะไม่ไม่หลงเหมือนแต่ก่อนมันจะเลิกหลงมีหลายเรื่องหลายอย่างมากเลยที่ อัตมาเนี่ยแต่ก่อนหลงอะไรต่ออะไรเยอะแยะคือคือนึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจถูกต้องแต่พอมาปฏิบัติทำมาได้ฟังเทศฟังธรรมจากพ่อท่านแล้วก็ได้มาปฏิบัติด้วยตัวเราเองทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะมากขึ้นความหลงเราจะน้อยลงที่จริงเนี่ยถ้าจะใช้คำกว้างๆร ว, วมๆก่อนนะถ้าตาบใดเนี่ยเรายังไม่ถึงที่สุด คือกิเลสเนี่ยเรายังลดไม่ได้หมดก็ยังเหลือความหลงอยู่ทั้งสิ้นนะจนกว่าเราจะถึงขั้นพระอาหารหันต์ที่กิเลสเนี่ยสิ้นเกลี้ยงเลยไม่มีกิเลสเหลืออยู่อีกนะความหลงก็จะไม่เหลือก็จะหมดไปเพราะนั้นต่อให้เป็นพระอริยบุคคลฐานโสดาบันก็ไม่หมดยังไม่หมดความหลง เห็นไหมเลิกหลงจากจากความเป็นปุถุชนเลิกหลงอย่างกัลยาณชนมาได้แต่ก็ยังจะมีความหลงในฐานของอ ا, โสดาบันอยู่นะพระอริยะระดับที่หนึ่งเนี่ยก <conduction foam> ็ยังจะมีอยู่เพียงแต่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่หมายถึงว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องและไม่หลงเนี่ย ไม่หลงได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่เหลือนอกนั้นที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังหลงทั้งนั้นกิเลสที่เหลืออยู่เนี่ยมันทำให้หลงหรือจะใช้คำว่าเนี่ยหลงเหลือเนี่ยนี่แหละไอ้สิ่งที่มันยังหลงเหลืออยู่เนี่ยมันทำให้หลงยังหลงอยู่จนกว่าคุณจะทำไอ้เศษเหลือพวกนี้ให้มันหมดไปจนจบแหละคุณถึงจะหายหลง นะส่วนนอกนั้นยิ่งกว่า น, นั้นก็คือความที่ว่ายังไม่รู้อะไรเท่านั้นเองเพราะในโลกนี้เราไม่ได้รู้ไปหมดทุกอย่างแต่สําหรับกิเลสเราเองนะไอไอความหลงที่เรากําลังจะพูดถึงนี้เนื้อแท้เนี่ยอยู่ที่เรื่องของกิเลสเพราะถ้าคุณทํากิเลสได้หมดเกลี้ยงได้ถึงที่สุดแล้วคุณก็จะไม่หลงเหลืออะไรเลยเพราะตรงนี้ให้ชัดนะอย่าอย่าไป เข้าใจผิดตรงที่ เ, เรื่องของอะไรอะ่ะบางทีไอ้จหลวจดเดินทางไปโลกพระจันทร์โอ้เราไม่รู้อะนะมันจะไปสร้างยังไงมันจะไปทำยังไงไอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องความหลงนะอันี้เป็นเรื่องของอะไรอ่ะวัตถุเป็นเรื่องของสิ่งภายนอกที่มันจะมีแปลกๆกใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามันอยู่เรื่อยแหละอันนี้ไม่ใช่ ความหลงห้าตัวเนี้ที่กำลังจะพูดถึงนี่เป็นความหลงในเรื่องของจิตใจนะเป็นเป็นด้านภายในนี่เราเราไม่ได้เอาภายนอกบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยอย่างบางเรื่องเราเข้าใจผิดโดยที่เราคิดว่าถูกแต่เป็นเรื่องภายนอกอันนั้นจะเป็นอย่างหนึ่งอ่าอันนั้นอาจจะเป็น อะไรอะ่ะหลงหลงผิดในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างแต่อันนั้นถือว่านอกตัวนอกตนไม่ใช่หลงผิดในที่นี้หลงผิดในที่นี้จะหมายถึงความที่เราเนี่ยอะไรอะ่ะแทนที่ชีวิตนี้นะเอา้าการที่ได้กินสูบดื่มเสพเต็มที่ใช่ไหมเราเนี่ย คิดว่าถ้าเราเนี่ยได้เสพอย่างนี้เต็มที่แล้วเราจะมีความสุขแต่ความจริงและไอความคิดอันนี้ของเรามันหลงผิดการที่ไปได้กินสูบดื่มเสพอะไรเต็มที่อย่างนั้นน่ะได้ตามใจตัวเองอันนั้นเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าอย่างเงี้ยเป็นการหลงผิดเพราะนั้นทั้งห้าตัวเนี่จะเน้นมาในทางเรื่องของ ของจิตใจน่าจะมากกว่าที่จะไปในเรื่องของนอกตัวนอกตนอันห้าตัวเนี่ยพ่อท่านกําหนดขึ้นมานะตั้งแต่ตัวแรกหลงลืมหลงลืมไม่ใช่จริงน่ยเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยอาตมาถามคุณว่ามีโอกาสลืมได้ไหมถ้าถ้าต่อให้เราเป็นพระอริยบุคคลด้วยเอา้าต่อให้เป็นพระอรหันต์ด้วยอา้า กูว่าลืมได้ไหมถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยอันนี้คือเรื่องของสัญญานะเรื่องของความจดจํามันเสื่อมได้โดยธรรมชาติถ้าโดยธรรมชาติแล้วหลงลืมได้นะอันนี้ถ้าลืมแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสอะไรมันเป็นเรื่องที่ว่าโอกาสมีโอกาสเป็นได้ทุกคนแม้พระอรหันต์ก็มีโอกาสลืมอย่างนี้ได้เหมือนกัน แต่ไม่เกี่ยวกับกิเลสเห็นไหมอ่าบางทีเอาข้อของเครื่องใช้อ่ะเกิดไปวางไว้ไหนทําอะไรต่ออะไรมากๆเข้าใช่ไหมเอ๊ะนึกไม่ออกไปวางไว้ตรงไหนนี่มันไม่เกี่ยวกับกิเลสอ่อันนี้มันเป็นเรื่องบอกแล้วเป็นเรื่องของสัญญาที่บางทีเผ้อผายได้ลืมได้แต่ถ้าหลงลืมแบบกิเลสนี่สิคราวนี้หลงลืมแบบกิเลสคุณดูนะ บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่จริงๆแล้วอ่ะเราพยายามจดจำนะเราสมมติเราไปทำผิดอะไรก็ได้เราไปทำเลวร้ายอะไรไว้ก็ได้โอ้โบางครั้งเราก็เจ็บปวดเราก็ทรมานนะแล้วเราก็รู้สึกว่าวาโอ้โหเรื่องเนี้เลวร้ายไม่ดีเลยไม่น่าประทําไม่น่าไปกระทำอุตส่าห์นะพยายามอุตส่าห์สัญญาไว้นะว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นกิเลส หรือว่ามันผิดศีลเอาง่ายๆแต่บางทีเดี๋ยวเอาอีกแล้วเพ้อไผ่เห็นไหมเพ้อไผ่เอาอีกแล้วไปทำผิดได้อีกแล้วลืมลืมอาตมาเคยสัญญาตอน เ, อเลิกกินเนื้อสัตว์ใหม่ๆนะเลิกกินเนื้อสัตว์ เราก็ตั้งใจแล้วเราเราจะไม่กินเนื้อใส่แล้วเราอยากจะทำศีลข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์อุตส่าห์สัญญาให้ดีแล้วนะปรากฏว่ากินไปกินมากินไปกินมาเอา้าไปตัดเนื้อมาเฉยเลย <c oughs> ตัดเนื้อมาเฉยเลยนะ <c oughs> กิเลสเก่าอ่ะกิเลสเก่ามันมันมันสั่งการหรือฮะ เออไออย่างนี้ลืมตัวไปอย่างนี้ยังยังน่าจะอนุโลมได้ว่าไม่ใช่กิเลสโดยตรงนะเพราะว่าบางทีมันมันเผลอไปใช่ไหมคือเราเจตนาดีแล้วนะอุตส่าห์ตั้งใจไว้ดีแล้วแต่มันเผลอตามความเคยชินเก่าไงไอกิเลสมันมันสะสมไวเยอะอะใช่ไหมความเคยชินเก่ามันก็เผลอเอามือไปตักมาเอออันนี้ถ้าจะว่าไปเนี่ยมันก็เป็นสัญญาเก่าทางานขนาดนึงแต่ ถ้าพูดก็คือขาดสติอย่างที่บอกเห็นไหมมันขาดสติมันเลยลืมตัวไปชั่วขณะดีที่ว่าพอตากมาแล้วเนี่ยยกช้อนขึ้นมาถึงปากแล้วพอดีจมูกไม่ได้กลิ่นเนะีเ่ยะอ้าวได้กลิ่นข้าวอะ่ะมันเลยนึกขึ้นได้ว่าอา้าแหมสติมาพอดีเลยสติมาก็เลยอ้าวเราเลิกกินเนื้อสัตว์แลนี่แล้วนี่แหมทำยังไงอะ่ะตักมาจ่อแล้วอะ่ะแล้วคนอื่นเากินอยู่ด้วยอย่างเงี้ย เราจะไปคืนที่ยังไงได้นะก็เลยจำเป็นนะจำนนก็เลยต้องเอาวางไว้ในชามอ่ะแต่ว่าวางไว้ข้างๆวางไว้ข้างๆชามแต่เราก็ไม่กินหรอกนะแต่เราก็แหมจะเอาไปทิ้งกันน่าเกลียดแต่ใช่ไหมเขาเขากินกันอ่ะคือคือพอดีวันนั้นกินเนี่ยก็กินร่วมกับคนอื่นไงมคนอื่นเขากินเนื้อสัตว์เขาก็ตักเนื้อสัตว์กันกินเราไม่กินเนื้อสัตว์เราก็ตักเฉพาะ คือมันจะมีกับข้าวหลายจานใช่ไหมจานไหนที่เป็นบางสิวิรัติเราก็ตักอันที่เป็นบางสิวิรัตอันไหนเป็นเนื้อสัตว์เขาจะตักก็แล้วแต่เขาเราไม่ตักแต่มันเผลอคุยไปคุยมาแล้วเราก็ไปตักเอาเนื้อสัตว์เข้าใช่ไหมตอนนี้ไอเราจะคืนก็คืนไม่ได้เอะไอเราจะไปทิ้งก็น่าเกลียดก็เข้ากินเงินะเราจะไปทิ้งก็ไม่ได้ก็เลยต้องเอาวางไว้ไว้ในชามเรานั่นแหละแต่าวางไว้ข้างๆ โดยที่เราก็ไม่กินแล้วเราค่อยค่อยเอาไปทิ้งทีหลังเนี่ยแต่เนี้ยสติก็มาช้ามาทีหลังอันนี้มันก็ลืมไปนะมันก็หลงลืมไปแต่ไม่ใช่กิเลสโดยตรงแต่ไอ้กิเลสเก่าที่บางทีมันเคยชินใช่ไหมมันอาจจะทำงานอยู่บ้างเราก็เลยเผลอไผลก็เลยขาดสติมันก็เลยไปทำอย่างนี้เพราะอันนี้เนี่ย ถ้าจะว่าไปจริงๆแล้วไม่ใช่กิเลสเราโดยตรงนะแต่ถ้าเป็นกินเลสโดยตรงนี่จะมีลักษณะแบบนี้ก็คือพอเราเนี่ยนะตั้งใจดีแล้วอะไรก็แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเนี่ยพอเราไปเห็นไปเห็นของชอบของกินเสร็จใช่ไไอ้ที่เราพยายามอะไรกาหนดจดจำไว้ดีแล้ว ตั้งใจไว้ดีดแล้วบางทีก็อธิษฐานจิตไว้ด้วยซ้ำไปหรือบางคนก็ตั้งตะบาเอาไว้หรือว่าถือศีลเอาไว้แล้วแต่ปรากฏว่าพอมาเจอแบบนี้แกล้งทำลืมลืมนะ่ะ <c oughs> จริงๆไม่ลืมนะตัวจริงๆ ไ, ไ, ไม่ลืมนะแต่แกล้งทำเป็นลืมแหมทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้เอาเข้าวาก ด, ดับ ด, ดับดับ หรือบางทีเนี่ยมันพอมีสติอยู่ไปสังเกตดูสิถ้าใครเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วฝึ ก, ฝ, กฝึกจับสติเนี่ยนะฝึกจับกิเลสเราเนี่ยคุณรู้เลยว่าบางเรื่องเนี่ยคุณพอมีสตมิมันเหมือนกับมาเตือนเตือนให้คุณรู้อยู่นะแต่คุณเนี่ยแกล้งแกล้งทําเป็นเบร์เบร์แกล้งทำไม่ไม่ไม่ไม่ไมรู้สักเท่าไหร่อ่ะเพื่อที่เราจะได้ทําตามกิเลสนะให้มันสมใจ อาตมาก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรขึ้นมานะแต่แต่คิดว่าพวกคุณพอจะนึกออกใช่ไมอ่าพวกคุณพอจะนึกอันนี้ออกแน่นอนถ้าอาตมาพูดอย่างนี้ให้ฟังแล้วรู้เลยว่ามันเหมือนกับสติมันมานะตอนแรกน ะ, ะสมมุติว่าจะกินขนมอะไรสักอย่าง่งที่เราชอบอะแต่เราตั้งตาบ่าว่าไม่กินมันเริ่มแวบบแบบมาแล้วว่าว่าเอ้ยตั้งตบา่าไว้นะแต่พอมันมาปั๊บคุณรีบรีบไม่คิดเลย คุณรีบไม่คิดเลยคุณรีบผลักทิ้งเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดต่อเพราะว่าถ้าคิดต่อเนี่ยสติมันมาเต็มที่ใช่ไหมสติมันมาเต็มถ้าสติมันมาเต็มที่มันมาเต็มเนี่ยโอ้โหมันจะไปกินได้ไงอะ่ะเพราะฉะนั้นพยายามกบทิ้งเลยพยายามทำลืมๆพยายามผลักไอ้สติที่มาอันเนี้ยทิ้งทันทีเลยหาหาเรื่องนุนหาเรื่องนี้มากบทิ้งเพื่อที่บอกแล้วว่า กิจลึกของเราเรารู้ว่าถ้าเรากบทิ้งได้เดี๋ยวเรากินได้สมใจกินได้อเด็ดอร่อยเป็นอันเนี้ยเยอะเลยอาตมาบอกให้รู้เป็นอันเนี้ยเยอะเลยเพียงแต่ว่าใครกรบได้เร็วหรือได้ช้าขนาดไหนเท่านั้นคนที่ยิ่งกิเลสในเรื่องนั้นหนามากเนี่ยจะรีบกรบไวมากพอมันแบบปะมาณนี้รีบกบทิ้งเลยทันทีเลยเรียกว่ามอ่มาปุ๊บคุณรีบกรบทิ้งปั๊บเลย มันไวบอกแล้วอัตมาบอกแล้วจิตคนเรานี่มันไวแต่บางคนเนี่ยกิเลสไม่ถึงกับหนามากนะมันโผล่ขึ้นมาปัา๊บมันก็มาเตือนสติคุคณแล้วอะ่ะมันมันให้คุณรู้ตัวแล้วว่าออนี่ตบาบะเรานะคราวนี้อยู่ที่คุณละพอมันขึ้นมาแล้วนี่คุณรู้แล้วนี่เป็นตบาบะเราคราวนี้คุณจะรีบกบไหมถ้าคุณมีการฝึกจิตมาได้แข็งแรงพอ คุณก็ไม่กบคุณก็จะปรุงอันที่เรียกว่าพิจารณาต่อไปเพื่อที่จะได้ไม่กินสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณฝึกมาไม่พอกิเลสที่เรามีอยู่เนี่ยมันรุนแรงกว่ามันเข้มแข็งกว่านะมันก็จะปรุงไอ้กิเลสจะปรุงนะโอ้มันอร่อยอย่างนั้นมันดีอย่างงี้นะวันนี้เราอะไรอ่ะทํามาเยอะแล้ววันนี้กินเถอะอะไรเงี้ย เพราะนั้นนะ่ะมันจะรีบกบให้ไวที่สุดทำไมต้องรีบกบเพราะรีบกบเพื่อให้คุณหยวอนย้นได้ไงแล้วคุณจะได้ไม่ถือว่าไม่ถือว่าเรารู้ตัว <c oughs> <c oughs> คือมันจะมันจะเอาอย่างนี้เพราะฉะันห ล, หลงลืมในเรื่องของกิเลสมักจะเป็นลักษณะนี้เพราะันจริงๆแล้วถึงบอกว่ามันไม่ได้ลืมจริงๆหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะแกล้งทำลืมลืม ถ้าลืมสนิทจริงๆไม่ได้เป็นกิเลสเราเลยเนี่ยเป็นหลงลืมแบบธรรมชาติอันนั้นไม่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสอะไรอ่าแต่ถ้าถามว่าถ้าตั้งตะบะมาแล้วลืมอย่างนั้นผิดตาบะไหมผิดตาบะผิดตะบะนะแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสเราเพราะตาบะไม่ได้ยกเว้นไม่ว่าว่ามีสติแล้วก็ไม่ผิด ถ้าไม่มีสติก็ผิดอะไรอย่างนี้ไม่ยกเว้นพราตาบานี้ตั้งขึ้นมาแล้วสมมุติว่าอาทิตย์นี้ใช่ไหมงดการกินขนมหวานอะไรอย่างี้คุณตั้งมาแล้วอ่ะคุณจะบอกว่าคุณจะอ้างเฮ้ยลืมลืมไปลืมไปแล้วก็กินแล้วก็อย่างนี้ไม่ผิดถ้าลืมไปแล้วไม่ผิดก็ไม่ได้ผิดก็คือผิดขาอกายกรรมก็มีแล้ว อ่มันเกิดขึ้นแล้วนะยกเว้น อ, อย่างอะไรอ่ะศีลยกเว้นอย่างเรื่องศีลผู้เจ้าไม่ถือว่าผิดศีลถ้าจิตเจตนาไม่มีนะอันนั้นเป็นเรื่องของการผิดศีลผิดศีลที่เรียกว่าอะไรอย่า ง, างเช่นเนี่ยศาตว์มันมาอายุงมันมากัดเราใช่ไหม เราไปทำมันตายเนี่ยคุณไม่ผิดศีลศีล อ, อันนี้เอายกไว้ให้ว่าคุณไม่ผิดศีลเพราะว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมคันคันไ ม, ไม่ไม่ทันมองมือไปไอ้นั่นแต่บางคนมีนะคันคันเนี่ยรู้และว่ายุง อ, ะอ่ะรู้จริงจริ ง, รงมันมาแล้วรู้ว่ายุงแต่ทำเป็น <laughs> ไม่มองนะ้วทำเป็นไม่มองเนี่ยเอามือไปลูบๆก็ตายอันนี้อันนี้โกหกตัวยังไม่ได้นะ อันนี้เนี่ยใช่อันนี้คุณต้องปิดศีลปิดศีลด้วยแล้วก็มีวิบากรรมด้วยแต่ที่ระกี้นี้พูดว่ายกเอาไว้ให้ก็คือนะถือว่าไม่ผิดศีลแต่คุณหนีไม่พ้นวิบากรรมวิบากรรมก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะแต่ตาบะนี่มันต่างกันนะตาบะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรากำหนดขึ้นเองเราก็พยายามที่จะให้มันมีสติ ที่จ ะ, ะปฏิบัติให้ได้ตามนั้นแต่ก็มีเหมือนกันนะบางคนเขาก็ขอว่าถ้าเขาลืมไปจริงๆอะเขาลืมไปจริงๆเลยเขาบอกว่าเขาไม่ผิดตบาปได้ไหมอัตมาบอกว่าอย่าเลยเพราะว่าถ้าอย่างนี้นะมันจะลืมบ่อยขึ้นเรื่อยๆถ้าจริงๆถ้าคุณเอาว่าคุณไปตรวจว่าไม่ผิดตบาปเลยนะคุณจะลืมอยู่เรื่อยๆแหละ เพราะไอ้ที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่ศีลหรือวัตบา ท, ที่เราทำมักจะเป็นเรื่องที่ที่เราไม่ค่อยอยากจะทำอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมอ่าเป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจหรือเพื่อง่ายว่าเราลืมอยู่เป็นปกติอยู่แล้วอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยการตั้งศีลขึ้นมาหรือตั้งตบบาขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกสติคูณขึ้นมา ให้มันจะได้คอยรู้ตัวอยู่อยู่เรื่อยๆนะั้นจะได้ไม่แบบว่าไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถ้าลืมแล้วเราก็ตรวจว่าเออถือว่าไม่ผิดไม่ผิดโอ้โหวันหลังคุณจะลืมบ่อยๆบอกแล้วแล้วยิ่งถ้าใครจับจิตไม่เก่งเนี่ยนะมันจะหลอกตัวเองได้ได้เก่งขึ้นเพราะบางทีเนี่ยจะมาถึ ง, ถ, งถึงไม่ค่อยอยากให้ให้ยกไว้ว่า ไม่ผิดตบาปหรือว่าไม่ผิดศีลเพราะว่าถ้าถ้ายกไปยกมาบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลยประมาทอยู่เรื่อยเลยแล้วก็เลยทําผิดศีลบ่อยๆแล้วคราวนี้ก็หลอกตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้นะหรือว่าลืมไปทั้งทั้งที่ความจริงอัตามาบอกแล้วอ่ะจิตเราเนี่บวบไวบางครั้งมันรู้ตัวอยู่เหมือนกันน่ะแต่พอรู้ตัวขึ้นมาปัมรีบกบทิ้งอะ่ะไม่ทําเป็นไม่ให้รู้ตัวไม่ให้รู้ตัว มันมันหลอกได้เก่งนะอาจมาต้งบอกกิเลสคนเราเนี่ยหลอกได้เก่งวันถ้าเราตั้งไว้ให้มันเข้มข้นหน่อยนะถือว่าผิดตะบะของเราเงี้ยเราจะได้เรามัดระวังตัวเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่คุณจะผิดศีลหรือไม่ผิดตะบะคุณผิดศีลหรือผิดตะบะไม่ก็ตามนะหรือจะบอกว่าไม่ผิดก็ตามเนี่ยวิบากกรรมคุณมีได้นอนการลืมตัวเนี่ย ทุกครั้งที่คุณไปทำอะไรที่เป็นกิเลสแล้วคุณลืมตัวทำแม้คุณไม่รู้ตัวก็เถอะแต่สะสมความเคยชินสะสมวิบากกรรมอันนั้นไปเสมอทุกครั้งไปเพราะนั้นคุณจะรู้ตัวหรือคุณไม่รู้ตัวคุณทำกรรมที่เป็นกิเลสเอาไว้มันสะสมไปเรื่อยนี่คราวนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะคุณจะรู้ตัวไหมอ่ะไม่เกี่ยวอะ แต่คุณสะสมสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคราวนี้ยิ่งเพิ่มหนักขึ้นยิ่งเพิ่มหนักขึ้นยิ่งเพิ่มหนักขึ้นอ้าวกิเลสมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นอันตมาถึงบอกคุณบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ไม่ผิดศีลหรือว่าไม่ผิดตาบะใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอายกไว้ยกไว้อันนี้เอายุงบังกัดเนี่ยโอ้โหไอ้นั่นโดนมันไม่เจตนาวันหลังเนี่ยเผลอๆฮิริโอตาปะเนี่ย ความละอายหรือความเกรงกลัวต่อบาปมันจะน้อยลงนะถ้าคุณทําเป็นหลงลืมเก่งๆคุณทําเป็นหลงลืมเรื่องพวกนี้เก่งๆนะกิเลสจะหนาขึ้นหนาขึ้นเราะนั้นพยายามอะไรที่เป็นสิ่งดีอะไรเป็นสิ่งที่มันจะทําให้เราเนี่ยไม่หลงลืมในสิ่งที่ดีได้นะพยายามเข้าพยายามให้มันเต็มที่อ่ะมีข้อ จะเล่นงานจะจัดการยังไงไม่ให้มันลืมได้ก็ยิ่งดีรวมไปทั้งคราวนี้อา้าวขอพูดภายนอกหน่อยเพราะว่าเรื่องจิตเนี่ยมันจับได้ยากนาทีนี้ขอพูดภายนอกเดี๋ยวพูดเข้ามาหาภายในฝึกการที่จะไม่ให้หลงลืมเพราะงั้นการที่จะไม่หลงลืมมีอยู่ทางเดียวก็คืออะไรก็ต้องมีสติใช่ไหมเพราะคุณต้องฝึกมีสติให้เพิ่มขึ้นคราวนี้คุณจะทําอะไรอะ่ะ จะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ฝึกมีสติเหมือนกับที่สายทําสมาธิทั่วๆไปอ่ะเขาพยายามจะให้ฝึกกันเน่อ้าวเดินยืนนั่งนอนเขาก็พยายามให้ฝึกมีสติเพราะถ้าคุณจะฝึกไม่ให้เป็นคนเลิกเลิกเลิ ก, ลกให้เป็นคนที่หลงที่ลืมคุณต้องฝึกสติเพิ่ม วัรนค่าวนี้ทั้งวันนะคุณคนเราเนี่ยมีสติได้ได้เสมอดีไหมถามคุณก่อนดีใช่ไหมเพราะสติต้องมีตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะจริงๆคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณจะกินอ่ะคุณมีสติไหมตกักอ่ตกักเอาตั้งแต่ตักอาหารมานะเริ่มตั้งแต่ตักอาหารมาคุณพิจารณาอยู่หรือเปล่า การพิจารณานี่คือการมีสติคุณพิจารณาอยู่ไหมเอ๊ะตัก น, นี่มามากหรือตักมาน้อยแล้วควรตักหรือว่าไม่ควรตักผิดศีลหรือผิดตบะเราไหมคุณพิจารณาหรือเปล่าตอนกินอ่ะตอนเคี้ยวอ่าตักเข้าปากเป็นยังไงทําไมบางทีเขาต้องบอกว่าต้องมีมารยาทหน่อยตักอย่างนี้น ะ, ะเคี้ยวอย่างนี้นะคือให้ฝึกสติทั้งนั้นน่ะผู้เจ้าเนี่ยโหสอนเรื่องสตินี่มากเย ภิกษุเนี่ยเวลาเคี้ยวอาหารอยู่แล้วอย่าพูดนะห้ามพูดต้องเคี้ยวแล้วกืนให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะอ้าปากพูดก็คือให้ฝึกสติว่าก็ตอนเคี้ยวอยู่ยังจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเคี้ยวอยู่ก็ให้มีสติตอนเคี้ยวสิแล้วก็ค่อยกลืนลงไปแล้วจะพูดอะไรก็ค่อยพูดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนฉันอาหารอยู่บางทีไม่ควรคุยอ่ะ ไม่ควรพูดเพราะพระพุทธเจ้าท่านให้ฝึกฝึกให้มีสติในการกินใช่ไหมพิจารณาการกินเอกินเป็นยังไงเนี่ยเยเนี่ยคือฝึกสติงั้นน่ะเวลาจะเดินไปไหนเนี่ยทําไมต้องสัมรวมสัมรวมก็คือระมัด ร, ระวังคำว่ า, าสัมรวมก็จริงจริงคือฝึกสติว่าเาจะเดินยังไงอ่จะย่างเท้าซ้ายเท้าวขวาน่าจะไปไหนยังไงเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเดิน เวลาหยุดนิ่งอะไรแล้วจะเดินไปไหนนี่จะเป็นผู้ที่ก้าวเท้าขวาออกไปก่อนเสมอไปบิณทบาทอย่างนี้นะจะก้าวเท้าขวาออกไปก่อนเสมออย่างเงี้ยท่านมีสติของท่านมันจริงๆแล้วมั น, ม, นมันทุกอิริยาบถเลยเอาจจะพูดอะไรอย่างเงี้ยศีข้อสีก็มากําหนดอีกพูดเพ้อเจ้อหรือเปล่าพูดโกหกหรือเปล่าพูดสอเสียดหรือเปล่า พูดคำหยาบหรือเปล่าจริงๆแล้วล้วนให้มีสติให้รู้ตัวในการพูดจะได้ไม่ลืมตัวเพราไม่อย่างนั้นแนละ้วยิ่งเรื่องพูดเนี่ยคนเนี่ยลืมตัวง่ายที่สุดใช่ไหมเพราะว่ามันนึกอะไรยังไงไปแล้วพูดไปแล้วหลุดออกไปแล้วโกรธใครเขาหน่อยก็ด่าออกไปแล้วไม่ชอบใจบางทีก็พูดแรงๆออกไปอ่ะมันลืมตัวง่ายมากเลยเรื่องพูด เราะฉะเนี่ยบางทีเนี่ยทำไมอะ่ะทําไมจะต้องคิดสะก่อนแล้วค่อยพูดออกมาก็เพราะว่าพยายามจะให้มีสติเออเอปรับปรุงอะไรคําพูดให้ดีก่อนนะแล้วถึงค่อยพูดออกมาเนี่ยเพื่อเพื่อไม่ให้ลืมตัวไม่ให้ลืมตัวหรือว่าไม่ให้หลงลืมไม่ให้หลงลืมนั่นเองนะนี่นี่พูดตัวอย่างคร่าวๆในเรื่องของความหลงลืมให้ฟัง ซึ่งถ้าเราฟังแล้วเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ตัวแรกเลยทําไมต้องเอาขึ้นต้นมาก่อนเพราะว่าถ้าลองหลงลืมแลยไอ้ตัวอื่นๆไม่ต้องไปพูดถึงนะถ้ามันหลงลืมซะแล้วมันมันจบมันหมดเลยอะ่ะมันตัวแรกเนี่ยเท่ากับว่าให้คุณมีสติใช่ไหมคุณถึงจะไม่หลงลืมมันตัวที่หนึ่งนี่คือสติแล้วนะสติมาก่อนแล้วมันพ่อท่านถึงเอาหลงลืมไว้ตั้งแต่ตัวที่หนึ่งอันนี่ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองตัวที่สองนี่หลงผิดนะพอท่านใช้คําว่าหลงผิดหลงผิดนี่ถ้าโดยทั่วไปเราก็รู้อยู่แล้วหลงผิดนี่ก็คือฮะอ่ามิวิชาทิฏฐินะหลงผิดทิฏฐินี่เป็นความคิดนั่นเองคิดไปในทางที่มันผิดในทางที่มันไม่ถูกต้องนะก็หลงผิดที่ปิดทางไป อไม่ถูกทางถ้าคิดให้ถูกเพราะฉะนั้นจากสติเสร็จใช่ไหมมีสติมีความรู้ตัวแล้วคุณจะต้องมีสัมมาทิฏฐิอ่คุณจะต้องมีสัมมาทิฏฐิมันมันมันต้องมาด้วยกันแหละจริงๆสติกับสัมมาทิฏฐิต้องมาด้วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่หลงผิดได้ไม่ใช่ว่าไม่หลงผิดก็ต้องหลงถูกสิ ไอ้หลงถูกนี่เขาไม่ใช้หรอกนะเพราะว่าหลงนี่มันดีไหมคําว่าหลงเนี่ยเออมันใช้ไปในทางที่ไม่ดีอยู่แล้วไปในทางที่ตรงๆนะอคําคําว่าหลงเนี่ยไปในทางตรงๆไปในทางที่ไม่รู้จักประมาณไปในทางที่ไม่พอเหมาะพอดีนะถึงใช่ว่าหลงไปมันติดทิศผิดทางหรือว่าเกินเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็ว่าหลงไป ว่าไอ้หลงถูกเนี่ยเขาไม่ใช้อ่ะเขาใช้แต่หลงผิดนะหลงผิดนี่เยอะแยะโอ้โหคราวนี้มากมายเลยที่เรานี่ไปหลงมาอย่างที่มันไม่ถูกต้องนะเอาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เรื่องอาหารการกินเราก็นึกว่าเกิดมานี่โอ้โหใครๆก็ต้องกินเนื้อสัตว์ทั้งน้นไม่กินเนื้อสัตว์เดี๋ยวไม่โต เดี๋ยวขาดโปรตีนเดี๋ยวอะไร อ, ะอ่ะอันนี้เราก็โดนหลอกมาจนกระทั่งโหเราหลงผิดทิศผิดทางไปตั้งไกลกว่าจะรู้ตัวได้ใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างง่ายที่สุดแล้วหรือว่าหลงว่าอย่างที่ตอนต้นๆบอกอะนะหลงเอาใบมุกเงี้ยโอ้โหเอาใบมุกเยอะแยะไปเลยอะ่ะนะกินสูบดื่มเสพ การพนันขันแข่งอะไรต่างๆมากมายกายกองต้องได้เงินเยอะๆต้องได้เงินมากๆต้องใบอะไรอ่ะที่ดินตู้เย็นพัดลมบ้านหลังใหญ่ๆอะไรอย่างนี้โอ้ล้วก็หลงตามค่านิยมของสังคมที่ที่ที่เราได้พบได้เห็นแต่ว่าเขามาหลอกเรามันก็ไม่ใช่นะเพราะเขาาหลงของเขาอย่างนั้นอะ ไอเราไปเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยเชื่อไปตามนั้นไงว่าอย่างนั้นคือความสุขของชีวิต